ที่จริงไม่ใช่เรื่องยากธรรมะเป็นเรื่องที่เปิดเผยตรงไปตรงมามีเหตุมีผลหัดรู้สึกนะรู้สึกตัวรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกบ่อยๆอย่าใจลอยพอรู้สึกตัวได้แล้วได้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสมาธิที่ดีแล้วกระดูกกายดูใจทํางานมีเท่านี้เองหลักพอ เ, เห็นกายเห็นใจทํางานนะทีแรกเห็นด้วยสติ หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกดีชั่วรู้สึกหดรู้สึกนี่เรียกว่ารู้ด้วยสติถ้าใจเราเป็นคนดูใจเราตั้งมั่นมีสมาธิพอปัญญาจะเกิดก็จะเห็นด้วยปัญญาคราวนี้ก็จะเห็นว่าตัวที่หายใจออกไม่ใช่ตัวเรา ตัวที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่ใช่ตัวเราทุกอย่างเป็นของชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหายใจออกก็ชั่วคราดหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวอะไรๆก็ดูชั่วคราวหมดครดูหัดดูซ้าแล้วซ้ำอีกเงี้ยวันหนึ่งจิตมันยอมมันรู้ความจริงแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับ งั้นมันจะไม่มีอะไรที่เป็นอมตะนะไม่มีอะไรที่ถาวรก็ ล, ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนที่ถาวรได้รู้เลยว่าตัวตนความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนนั้นเกิดขึ้นเป็นคลาวลเวลามีการหมายรู้ผิดผิดมีการคิดผิดผิดมีความเห็นผิดผิดก็มีตัวมี ต, มตนขึ้นมาแต่ความเป็นจริงตัวตนไม่มีมีแต่รูปธรรมนามธรรมซึ่งมันไม่ใช่ตัวตน เนี่ยเราภาวนานะในสวนก็ล้างการหมายรู้ผิดผิดล้างการคิดผิดผิดล้างความเห็นผิดผิดไปได้ได้สัมมาทิฐิขึ้นมาแล้วหัดหมายรู้ให้ถูกหมายรู้ให้ถูกทําไงหมายรู้ร่างกายนี้โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าหมายรู้ถูกหมายรู้ว่าจิตใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างนี้เรียกว่าหมายรู้ถูกคําว่าหมายรู้ก็ไม่ใช่ขเนาด้วย ถ้าคิดเอาเไม่ใช่หมายรู้เป็นองค์ธรรมคนละตัวมันเป็นมุมมองของจิตที่จะหัดมองความเป็นไตรลักษณ์ถ้าหากจิตมันไม่ยอมมองมันเห็นกายมีสติรู้กายอยู่เฉยๆมีสติรู้ใจอยู่เฉยๆมันไม่ยอมมองว่าเป็นไตรลักษณ์ันนี้ครูบาอาจารย์จะมีอุบาย อุบายไม่ใช่หลักนะอุบายเป็นเรื่องแท็กติกเรื่องเฉพาะตัวใช้ชั่วครั้งชั่วคราวถ้ารู้สึกกายรู้สึกใจแล้วรู้สึกอยู่เฉยเยไม่เห็นใจรักษของกายของใจให้คิดพิจารณาเอานะครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงพ่อพุทธนะสอนนะเรียกว่าคิดนําร่องให้จิตมันหัดดูใจรักษณงั้นถ้ารู้ตัวอยู่เฉยเฉยแล้วก็ช่วยมันคิดนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกร่างกายเป็นของไม่เที่ยง เดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นะหิวก็ทุกข์อิ่มก็ทุกข์นะหนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ดูไปเรื่อยช่วยเป็นคิดเอาร่างกายนี้เป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราหรอกเรายืมธาตุของโลกมาใช้าหายใจเข้าไปก็หายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายมีธาตุหมุนเวียนไปเรื่อย วันหนึ่งก็คืนเจ้าของคืนโลกไปร่างกายนี้ร่างกายนี้เราก็ยืมของโลกมาใช้นะก่อนที่เราจะเอามาใช้คนอื่นเขาก็ใช้อยู่อย่างส่วนวัตถุธาตุที่ประกอบเป็นร่างกายเราเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นร่างกายคนอื่นมาก่อนเรากินเข้าไปบ้างอะไรบ้างนะก็ยืมมาใช้ต่อไปเราตายไปตัวที่เป็นเรานี่ก็ถูกคนอื่นเอาไปใช้ต่อนะสมมติเราเอาไปฝังไว้ต้นไม้เอาไปกิน ดูดขึ้นไปสัตว์ไปกินต้นไม้คนไปกินสัตว์นะกลับ ม, มาเนะี่ยในตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยซากจานวนมากเป็นสมบัติของโลกที่อยู่มาใช้เนะี่ยช่วยมันคิดก่อนแต่ถ้าจิตมันเห็นไตรลักษณ์เองอย่าไปคิดมันนะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้นะแต่อาศัยคิดอาศัยคิดในเบื้องต้นนี้・・แหละแล้วก็ใจให้ใหมันคิดไป พอใจมันคิดไปแล้วมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เก<ๆ>ิดดี<ๆ>เกิดชั่วคราวนี้รู้เอาอย่าคิดเอานะจะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วดับไปดับไปนี่ก็เดินปัญญาถ้าดูจิตดูใจแล้วมันก็ไม่เดินปัญญามรู้อยู่เฉยๆก็คิดไปเลยนะเออตอนนี้จิตว่างๆว่างๆนี่ก็เป็นของถูกรู้นะี่คิดอย่างนี้จิตที่เป็นคนรู้มันก็อยู่ต่างหา่างนะมันไม่ใช่ว่างๆไม่ใช่จิตว่างเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า ว่างก็เป็นเป็นธาตุอย่างหนึ่งนะเรียก อ, อากาศาธาตุเป็นวัตถุธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุอย่างหนึ่งเรียก อ, อากาศาธาตุใจที่เป็นคนรู้ก็เป็นธาตุอย่างหนึ่งเรียกวิญญาณธาตุเป็นธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฉะั้นตัวรู้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเป็นธาตุธาตรู้เนะนี่ยช่วยมันคิดพิจารณาไป พอจิตมันเคยดูไตรลักณ์แล้วต่อไปพอรู้สึกตัวปุ๊บมันดูไตรลักเองถ้าจิตดูไตรลักณได้เองแล้วอย่าไปคิดพิจารณาฟุ้งซ่านวะเปล่าลงคิดต่อไปแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความคิดได้แต่ความจําไม่ได้ความจริงงั้นการพิจารณานั้นก็ใช้ในเบื้องต้นอย่างครูบาอาจารย์รุ่นเก่าท่านทําสมาธิลึกทําชาญกันทํากันหลายๆายปีนะฝึก สมาธิกันนานหลายปีพอได้สมาธิมาแล้วนะถอยออกจากสมาธิมาเนี่ยจิตไม่เดินปัญญาจิตมันเฉยสบายใจรู้ตัวเฉยไม่เดินปัญญาถ้าไม่เดินปัญญาอย่างเงี้ยท่านสอนให้คิดเลยพิจารณาร่างกายไปเป็นการกระตุ้นให้จิตทํางานแต่พอจิตมันทํางานแล้วไม่ต้องคิดแล้วคราวนี้ดูของจริงไป เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราแล้วนะดูซ้ําแล้วซ้ำอีกไปก็เห็นจิตใจเป็นคนดูแล้วก็จิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆด้วยนะงั้นเวลาภาวนานะพอถึงจุดที่เราเดินวิปัสสนาจริงแล้วไม่มีสายกายสายจิตติดต่อไปแล้วไม่มีสายไหนเลยมีแต่ว่าขณะใ ด, ดมีสติมีสมาธิขณะนั้นก็เดินวิปัสสนาอยู่ขณะใ ด, ดขาดสติขาดสมาธิก็ไม่ได้เดินวิปัสสนาก็แค่นั้นเอง นะส่วนสติจะ ร, ระลึกรู้กายสติจะระลึกรู้เวทนาสติระลึกรู้จิตสติจระลึกรู้ธรรมเลือกไม่ได้สติจระลึกของสติเองเพราะสติเป็นอนัตตาเพราะงั้นไม่มีสายไม่ใช่ว่ามีสติอยู่เฉพาะร่างกายจิตไปที่อื่นไม่รู้เลยอันนั้นมาทําวิปัสสนาไม่ได้จริงสติเองก็เป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ว่าจงรู้แต่กายหรือจงรู้แต่จิตเพราะงั้นไม่มีสาย สติระลึกรู้กายเห็นไตรลักษณ์ของกายสติรู้เวทนาเห็นไตรลักษณ์ของเวทนานี่มีปัญญาตามเห็นไตรลักษณ์ไปสติระลึกรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเห็นไตรลักษณ์ของจิตที่เป็นกุศลอกุศลสติระลึกรู้ธรรมรูปธรรมนามธรรมก็เห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมยังไม่มีสายไม่ว่าจะเดินกรรมฐานใช้อารมณ์อะไรในเบื้องต้นนะเบื้องปลายเห็นนั้นเดียวกันคือเห็นไตรลักษณ์ ดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสนานเพราะฉะนัอนถึงขั้นวิปัสนาไม่มีสายหรอกพอบอกว่าวิปัสนาไม่มีสายนะกายเป็นสายใหม่นี่ไงสายที่บอกว่าวิปัสนาไม่มีสายเขาจัดสายจนได้นะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะ เอกกายนามัตยทางสายเอกทางสายเดียวมีอันเดียวนี่แนะหละหลักอันเดียวเท่านั้นเองส่วนใครถนัดอะไรในเบื้องต้นก็อเอาไปบางคนดูจิตไม่ได้ก็ดูกายไปบางคนดูกายแล้วก็เข้ามาเห็นจิตแลเห็นจิตแล้วเอาอะไรกับกายนะหเห็นจิตแล้วก็ดูจิตทํางานไปครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะบอกว่าดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตเพื่อให้เห็นธรรมว่าอย่างนี้ ข้หนึ่งปี26 2526บางคนยังไม่เกิดไปกราบหลวงปู่ดุลนั่งอยู่กับท่านนานๆจะคุยกับท่านนะปกตินั่งก็นั่งเงียบๆแล้วท่านก็สอนเองนั่งบางทีชั่วโมงหนึ่งท่านพูดทีหนึ่งเงียบๆไม่พูดออกวันหนึ่งก็ไปถามท่านหลวงปู่ครับผมไปวัดโน้นวัดนี้หลวงปู่ไม่ว่านะหลวงปู่บอกว่าพึ่งตัวเองได้แล้ว แล้วก็ออกไปดูสำนักต่างๆแล้กลับมาบอกหลวงปู่หลวงปู่ครับผมไปวัดต่างๆนะเห็นส่วนมากเขาก็สอนให้ดูกายพุโทโธพิจรณากายที่ไหนที่ไหนก็ได้ยินอย่างนี้ยแ ต, ต่ตัวหลงพ่อตัวหลวงพ่อนะถ้าเข้าไปถึงครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนจิตทั้งนั้นเลยไม่สอนที่กายจะสอนเข้าจิตทุกองเลยกระทั่งหลวงตาจะสอนเรื่องจิตเลยนะนี่ผมสงสัยครับหลวงปู่ว่าผมจะต้องไปพิจารนากายบ้างไหม เพราะว่าไปไหนไหนได้ยินแต่ครูบาอาจารย์สอนคนอื่นให้ดูกายเนี่ยผมมาเรียนจากหลวงปู่เขดูจิตเลยหลวงปู่หันมามองมองแบบสังเวช ท, ท่านบอกว่าที่เข้าดูกายเพื่อให้เห็นจิตเขาดูกายเพื่อให้มีกําลังเห็นจิตถ้เราเข้าถึงจิตถึงใจเอาอะไรกับกายกายเป็นของทิ้งอะไรเงี้ยกายเป็นของทิ้งของทิ้งจริงไหมล่ะมันหลุดออกไปจากจิตแล้วไม่ได้เอาอะไรเข้ามันแล้วเนี่ยนะ ก็เลยรู้โอ้จริงๆแล้วเขาดูกายเพื่อให้มีแรงมาดูจิตเองดูจิตแล้วเห็นธรรมเพราะอะไรเพราะธรรมมันเกิดที่จิตธรรมที่เป็นกุศลเกิดที่จิตธรรมที่เป็นอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตนะต่อมาสิ้นหลวงปู่ดู ล, ลันนะหลวงพ่อก็ยังมีอาจารย์หลายวงค์องค์สุดท้ายเลยที่เรียนกรรมฐานด้วยคือหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเนี่ยเคยเจอท่านสมัยท่านหนุ่มๆ เดินได้คล่องแคล่วแล้วท่านก็หายไปนานเป็นอัมาพาตรถกว่าําเลยไปอัมาพาตไปแล้วท่านก็ไปอยู่อเมริกานานท่านกลับมาไปกราบท่านให้เจอท่านหลายครั้งอยู่ท่านก็พูดให้ฟังบอกว่าท่านไปหาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนท่านนะว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกาย ดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ให้ทําความสงบไหมทำสมถะทําสมถะก็เพื่อให้มีกําลังมานะกลับมาดูได้อีกดูกายเพื่ออะไรดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตให้เห็นธรรมเนี่ยสอนลงไปนั่นเดียวกันหมดนั้นถ้าภาวนาเป็นนั้นก็ไม่มีปัญหาขัดแย้งกันหรอกก็เป็นเนื้อเดียวกันทั้งนั้นยิ่งนั้นพวกเราถ้าคนไหนดูจิตได้ก็ดูไปดูจิตไม่เห็นก็ดูกายไป บางคนไม่ถนัดดูดูจิตจริงๆนะให้ดูกายดูจิตแล้วไม่รู้เรื่องดูไม่เป็นสักทีเพราะไม่รู้เคล็ดลับของการดูจิตสอนยังไงก็ไม่ฟังไม่เข้าใจเข้าแต่หูเข้าหูนี้ออกหูนี้นะไปหมดนะหลักของการดูจิตไม่ใช่ไปดูจิตพูดภาษาแปลกๆอีกแล้วจิตไม่มีอะไรให้ดูจิตไม่มีรูปร่างจิตไม่มีตัวตนจิตเป็นอรูปไม่มีอะไรให้ดู เราดูจิตเห็นจิตเกิดดับเนี่ยผู้ผ่านเจตสิกเราจะเห็นในจิตที่มีความสุขเกิดแล้วดับจิตที่มีความทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีจิตที่ชั่วเกิดแล้วดับพวกนี้น่ะที่เรียกว่าจิตตสังขารคือสังขารของจิตคือร่างกายของจิตนะเราดูจิตที่ดูผ่านร่างกายของจิตดูจิตตสังขารทั้งหลายดูความปรุงของจิตเราก็ถึงจะเห็นว่าจิตนั้นเกิดดับจิตนั้นไม่มีรูปร่างไม่มีแสงสีไม่มีตัวตนไม่มีร่องรอยอะไรให้รู้นะ ทำหน้าที่รู้อย่างเดียวคล้ายๆแก๊สหุงข้าวอ่ะแก๊สหุงข้าวจริงๆไม่มีสีไม่มีกลิน่นระั่วออกมาก็ตายเปล่าไม่รู้เลยว่ารั่วเขาก็เติมกลิ่นลงไปเวลารั่วออกมาก็ได้กลิ่นนึก อ, ออกไหมกลิน่นนั้นมันเติมเข้าไปแก๊สจริงๆไม่มีกลิน่นนะพอรัอ่วออกมาเราก็รู้อันนี้แก๊สรั่วลว้จิตนี้ก็เหมือนกันตัวมันไม่มีร่องรอยเราอาศัยเจตสิกแสดงร่องรอยของจิต มีความสุขขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมามีกุศลอกุศลขึ้นมาดังนั้นการดูจิตเนี่ยต้องดูให้ถึงสภาวะจริงๆนะอย่าไปดูจ้องหาตัวจิตจะหาไม่เจอเลยดูจิตเนี่ยข้อที่หนึ่งให้ความรู้สึกทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยรู้เอามีสุขก็ค่อยรู้ว่าอ้อจิตมีความสุขมีทุกข์ก็จิตมีความทุกข์นะ เกิดกุศลเกิดอกุศลก็เห็นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลพอดูชำนาญขึ้นจะเห็นว่าสุขทุกข์กุศลอกุศลกับจิตนะโคแล่นกันจิตเป็นคนดูคราวนี้จะเห็นจิตได้ชัดขึ้นมาแล้วว่าจิตเป็นคนดูดูอะไรดูสูขดูทุกข์ดูกุศลอกุศลซึ่งมันเกิดดับไปเรื่อยๆตัวจีเองก็เกิดดับเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สั ไปคิดนึกทางใจนะสารภาพจะเปลี่ยนเงินเบื้องต้นก็ดูผ่านเจตสิกนะต่อไปก็รู้เท่าทันจิตได้รู้ด้วยปัญญาไม่ใช่รู้ด้วยเอาอะไรไปมองมันได้นะการดูจิตข้อที่หนึ่งอย่าไปรอดูอย่าไปอยากดูให้ความรู้สึกเกิดค่อยรู้สุขขึ้นมาก็ค่อยรู้ทุกข์ขึ้นมาก็รู้ไม่ใช่นึกจะดูจิตไหนไหนจิตอยู่ไหนไปดูจะไม่เจอจิต ข้อที่สองระหว่างดูอย่าถลํมลงไปดูดูห่างๆดูไม่ควรวงนอกข้อที่หนึ่งอย่ารอดูอย่าจงใจดูให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้เอาข้อที่สองพอรู้แล้วนะอย่ากระโจนลงไปดูดูห่างๆดูแบบคนวงนอกเห็นว่าความโกรธกับจิตโค่ล้านกันความสุขกับจิตนก็โคนล้านกันความทุกข์ความดีความชั่วกับจิตโคล้านกันดูห่างๆนะอันที่สาม ดูแล้วนะถ้ายินดียินร้ายให้รู้ทันยัมีความสุขเกิดขึ้นจิตยินดีให้รู้ทันมีความทุกข์ขึ้นจิตยินร้ายให้รู้ทันรู้ทันความยินดียินร้ายนะจิตจะเป็นกลางกลางด้วยสติอันนี้กลางด้วยสติรู้ทันความยินดียินร้ายต่อไปเราก็จะดูสภาวะทั้งหลายเกิดดับด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูนะไม่ถลำไปดูเนี่ยจิตตั้งมั่น รู้ด้วยความเป็นกลางไม่หลงยินดียินร้ายรู้อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้แล้วไม่แทรกแซงไม่ใช่เจอทุกข์ก็หาทางละเจอสุขหาทางรักษาเนี่ยเรียกว่าการดูจิตนะไม่ใช่ไปดูความว่างๆแล้วบอกดูจิตคนละโลกเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนอย่างนั้นส่วนใหญ่พวกเราต้องอาศัยการดูจิตนะนีบางคนดูไม่ได้ดูกายคนประเภทไหนดูจิตยาก พวกรักสวยรักงามคนไหนใช้เวลาส่องกระจกนานยกมือซิสารภาพมาเลยยกมือคนไห น, นรักสวยรักงามเนี่ยดูกายไว้ดูกายแล้วต้องไปเข้าฌานก่อนไหมเข้าฌานไม่เป็นเข้าฌานไม่เป็นก็ดูแบบอนาถาอย่างนี้แหละนะเดี๋ยววันหนึ่งมันก็มีขึ้นมาเองอะ่ะนะหัดดูกายเห็นไหมร่างกายกำลังยิ้ม เนี่ยเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายพยักหน้าเห็นได้ใจนะฮะรู้สึกกายอย่างนี้แหละกวาดบ้านถูบ้านทํางานไปเห็นร่างกายมันกวาดบ้านถูบ้านเห็นร่างกายทํางานไปเนี่ยพวกที่ชอบดูกายนะดูจิตไม่ได้ดูกายพวกรักสวยรักงามรักสุขรักสบายวันวันส่องกระจกเยอะต่อไปคําถามแบบนี้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวนี้คนรุ่นนี้ไม่ค่อยส่องกระจกแล้วมันส่องมือถือแทนหลวงพ่อหลวพไปเห็นนะว่ามันทําได้ยังไงวนะ มือถือในในจอมันหน้าตัวเองอะ่ะมันส่องทีแรกมันบ้าเป่าเอามือถือมาหวีผมนะตายเราโอช่ชวยแหลกเลยนะ <laughs> งั้นต่อไปจะถามว่าวันๆส่องกระจกนานหมเนี่ยพูดยากแนละ้วบางคนมันส่องมือถือ <laughs> นะเทคโนโลโยีเปลี่ยนนะคำสอนอยังต้องปรับเลย <laughs> ภาษาต้องเปลี่ยน คือวันวั น, วนหนึงสำรวจตัวเองเยอะถ้าแบบนี้รักสวยรักงามนะถ้านิสัยอย่างนี้รู้สึกกายบ่อยๆเห็นร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนสุดท้ายไม่เห็นเลร่างกายไม่เห็นจะวิเศษตรงไหนเลยมีแต่ตัวทุกข์ร่างกายนี้ถ้าเรารู้ไปเรื่อยๆจะเห็นทุกข์ชัด น, นี่คนไหนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นอยกมือซิเจ้าความคิดเจ้าความเห็น พระเจความคิดเจ้าก็เห็นดูจิตเอาเพราะเวลาเราคิดเรื่องนี้จิตสุขคิดอย่างนี้จิตทุกข์คิดอย่างนี้จิตดีคิดอย่างนี้โลภโกรธหลงใช่ไสิ่งเหล่านี้ตามหลังความคิดมังนั้นในเมื่อมันช่างคิดวให้มันรู้มันรู้มันคิดนะมันคิดไปคิดแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดดีให้รู้เกิดช่วยให้รู้ดูอย่างนี้แหลสุดท้ายก็จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับดีเกิดดีดับโลภโกรธหลง เห็นอย่างนี้นี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเจริญปัญญาได้อาศัยเครื่องมือสองตัวหลักๆสติเป็นตัวรู้ทันร่างกายเป็นยังไงรู้ทันจิตใจเป็นไงรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจการดูไตรลักษณ์ไม่ต้องดูทั้งสตัวไม่ใช่ต้องดูทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูไตรลักษณ์นั้นเห็นอันใดอันหนึ่งก็พอแล้วนะ คนไหนเห็นอนิจจังก็เอาอนิจจังไปเห็นได้แค่นี้แหละคนไหนเห็นทุกข์ก็เห็นไปคนไหนเห็นอนัตตาก็เห็นไปแล้วเราเลือกไม่ได้เวลาที่จะบรรลุอริยมรรยาผลนะจิตจะเห็นเองเราเลือกไม่ได้เลยอย่างเราดูเกิดดับเกิดดับนะเ น, นี่ดูอนิจจังแท้ๆเลยแต่ตอนที่ใจมันจะได้โสดาลนะั้นพาไปเห็นอนัตตาเข้านะตัดด้วยอนัตตาอย่างนั้นก็มีนะไม่ใช่ว่าดูอนิจจังแล้วต้องตัดด้วยอนิจจังงั้นต้องมาสำรวจตัวเอง ให้เราหนิสัยยังไงเราเป็นพวกปัญญาแก่กล้าเราต้องดูแต่อนัตตาไม่ดูอนิจจังนี่นฟุ้งซ่านนะงั้นดูสภาวะทั้งหลายที่ปรากฏต่อหน้าต่อตานี่แหละส่วนจิตมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของมันแต่ถ้ามันไม่ยอมเห็นเลยช่วยมันคิดช่วยมันพิจารณาพอไหวไหมหลักวิชามันเยอะนะแม่ธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่กระจกนะไม่ใช่พุโทโธพุโทโธไปภาวนาไ ป, าาไปเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้ง แจ้งสิหนีไปไหนหมดแล้วโน่นไปแจ้งอยู่ที่โน่นแจ้งอยู่ที่นี่นะไม่แจ้งอยู่ในใจภาวนาต้องถึงจิตถึงใจนะภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจสู้กิเลสไม่ได้กิเลสอยู่ที่ใจนะก็ต้องสอดส่องมันกุศลอะไรยังไม่ทำกมหะทำซะอกุศลอะไรยังไม่ละก็หดละซะนะละด้วยวิธีไหนละด้วยการรู้ทันมันนะอย่าไปตามใจมัน มันขี้เกียจอยากนอนดูแล้วนี่ไม่ใช่ร่างกายอ่อนแอไม่ใช่ร่างกายอ่อนเพลียเลยใจมันขี้เกียจไม่นอนเพราะนาต่อเดินจงกรมขาบวมฉึงเลยเดินไม่ได้ละ้ะเดินไม่ได้ทำไงดีครูบาอาจารย์สอนมานะหลวงพ่อพุฒ เ, เคยสอนเลยเดินไม่ได้ก็คลานสิขอเราเอาไหมเดินไม่ได้ก็นอนสิครูาอาจารย์สอนนะเดินไม่ได้คลาน อาคลานจนมือแตกเข่าแตกทำไงกลิ้งสิยังไม่บอกให้นอนเลยนะนอนจนทังสุดท้ายนอนขแมวแแมวก็ขยับไปสิเนี่ยสอนสอนขนาดนี้เลยนะคือไม่ให้เราทิ้งการปฏิบัติเลยหัดดูเอาไม่นานก็เป็นมีคนภาวนานะภาวนาเป็นโดยไม่เคยเจอหลวงพ่อเยอะนะฟังซีเดียวพระเพล่ก็มีนะเขียนมาบอก ภาวนานได้ขึ้นมารู้แล้วว่าหลวงพ่อสอนอะไรรู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอยังไงยันตั้งอกตั้งใจนะาไหนๆก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังแล้วได้เจอแล้วฟังครั้งเดียวยากที่จะจำฟังซีดีฟังซีดีนะมีแผ่นไหนก็ฟังแผ่นนั้นนะใช้ได้ทุกแผ่นเลยนะใช้ได้ทุกแผ่นเลยมีอยู่แผ่นเดียวก็ฟังมันแผ่นเดียวละนะนะ เมื่อก่อนมีคนฟังเทปนะสมัยซรเป็นเทปม่ะมีเทปอยู่ม้วนเดียวก็ฟังอยู่เทปยุดนะจนจิตตื่นขึ้นมาเทปนิดเดียวนะั้นนะงั้นเราไม่เข้าใจก็ไปฟังเอาฟังแล้วก็ดูกายดูใจของตัวเองเอานะรักษาสี่ห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบส5บนาทนะีเวลาที่เหลือจเจริญสติเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานไปก็ฝึกให้ได้อย่างนี้มากผลไม่หนีไปไหน โอกาสจะได้มากผลในชีวิตนี้ก็มีควรจะได้นะมันถึงจะปลอดภัยยังเป็นปุถุชนอยู่ไม่ปลอดภัยเลยชาตินี้ศรัทธาพระพุทธเจ้าชาติต่อไปจะไม่ศรัทธาเลยก็ได้อย่าว่าแต่ชาติหน้าเลยนะชาตินี้บางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาจริงไหมบางวันมีศรัทธาลุกขึ้นไหวพระสวดมนต์อีกวันนึงอลุกขึ้นมา จ, จําใจรับปากหลวงพ่อว่าต้องปฏิบัติทุกวัน จำใจลุกขึ้นมากราบสมทีเหมือนเมื่อวานค่ะนอนต่อ <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยศรัทธาหดหายขี้เกียจนะ ไ, ได้เรื่องนะสู้นะสู้เอารู้หลักแล้วต้องสู้ใจเข้มแข็งอย่บปล่อยกิเลสลากไปกิเลสลากไปนะมีความสุขเบื้องหน้านะชั่วคราวความทุกข์รออยู่เราแต่ละคนเนะ ต่อไปจะต้องเจอความทุกข์ความแก่รออยู่ความเจ็บรออยู่ความตายรออยู่ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักรออยู่การเจอสิ่งที่ไม่รักรออยู่ความไม่สมปรารถนาทั้งหลายรออยู่ข้างหน้ายังไงก็หนีไม่พ้นพลัดพรากไหมต้องพลัดพรากเขาไม่พรากเราเราก็พรากเขานะสุดท้ายต้องพลัดพรากทุกคนรักกันมากเลยนะ พอตายเท่านั้นเองเอาใส่ลงรีบเอาไปวัดไม่เอาแล้วเหมือนปล่อยหมาปล่อยแมวเอาไปทิ้งไปทิ้งนะทำบุญทำอะไรให้แล้วบอกให้ไปที่ชอบที่ชอบเธ อ, อถ้าหลวงพ่อเป็นผีนะหลวงพ่อจะบอกฉันชอบแกแหละ <c oughs> ดูรักมากนะเราบอกให้ไปไปไปไปให้เหนเนอะแกอย่ามาที่นีอีกนะนัง่งศาลเราต้องเจอนะบางคนเนี่ยเจอความพลดัดพลาดที่นึกไม่ถึงถ้านึกถึงเนี่ยยังทุกไม่มากเพราะทําใจได้นึกไม่ถึงเนี่ยถูกมากอย่างบางคนพ่อแม่แก่แล้วพ่อแม่ป่วยกระสอบกระแสแล้วพ่อแม่ตายเนี่ยทำใจง่ายลูกเราวิ่งเล่นดีๆรถทับตายตกน้ําตายอะไรทาใจยากแล้วทุกข์ทุกข์กหนัก เพราะว่ามันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนคนไหนมีลูกบ้างยกมือซิเคยคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนกล้าคิดไหมคนไม่กล้าเลยนะไม่กล้าเลยลองคิดดูบ้างเตรียมใจต้องเตรียมเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคิดไหมลูกจะติดยายังพอคิดบ้างคิดลูกจะตายก่อนนี่ไม่กล้าคิดเลยกลัวมากเลย มันไม่ได้ตายเร็วเพราะเราคิดหรอกนะอา้าวใครจะส่งเงินบ้านก็เหมือนช่วงเช้าเมื่อเช้าก็เห็นจิตมันไหวห่ๆครับอืมันไหวหๆแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าอามันเกิดความรู้สึกอะไรมันแค่เห็นแบบๆแค่นั้นแค่นั้นพ <ๆ S 1> อนละลายเห็นมันเกิดดับไปนะใจอยู่ต่างหากแต่ถ้าเห็นไหวๆต่อไปจะเห็นแต่ทุกนะเพราะทุกคราวที่ไหวทุกทุกทีแล้วไหวทั้งวันทั้งคืนทุกทั้งวั น, ท, ว น, ท, วนทั้งคืนเลย พอทุกข์มากๆเหนื่อยก็ทําสมถะนะพุโทโธพุโทโธไปให้ใจได้พักผ่อนพใจพักผ่อนมีแล้วมีแรงก็มาดูไวๆต่อเมื่อปีที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าให้ให้ดูไตรลักษณ์ <c oughs> แต่ว่าเหมือนมั น, มนแค่แค่เวลาบางทีขันแยกเราเห็นเป็นตัวก็พอแล้วใช่ไหมขันแยกเราเห็นไหมไ ม, ไม่มีตัว ม, มันแต่ละตัวแต่ละตัวมันไม่ใช่เรา ตรงที่เห็นว่าแต่ละตัวมันไม่ใช่เราเนี่ยเห็นอนัตตานะเนี่ยเห็นไตรักแต่ถ้ามันเห็นคันแยกแล้วใจซึ้บือ้อแยกก็แยกไป لف لف อย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือก่อนมาวัดอะค่ะมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่นอนนอนแล้วก็อยู่ๆตัวเองก็ตื่นขึ้นมาแต่จังหวะที่ตื่นอะมันเหมือนเห็นตัวเองนอนเป็นท่าอะไรอยู่แล้ว<อ>ใจมันก็บอกว่า ตัวอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละขันมันแยกได้นะแล้วก็มันเห็นวนะ่ามันไม่ใช่ตัวเราคือจังหวะนั้นแค่เราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็แค่นั้ น, น, นใช่ไหมแค่นั้นแหละเวลาปัญญาเกิดเกิดชั่วขณะกระทั่งเวลาที่อริยมรรคเกิดเกิดชั่วขณะเท่านั้นแหละถ้าบารมีเราพอนะตรงที่มันแยกปุ๊บแล้วไปเห็นไม่ใช่เรานะขาดเลยก็มีนะในขณะนั้นบรรลุพระโสดาไปเลยถ้ากําลังเราพอ ตอนที่เห็นตอนนั้นแรงยังไม่เยอะพอหัดดูไปเรื่อยนะแรงตัวนี้ก็ตกได้เพราะฉะนั้นบางช่วงก็มีแรงบางช่วงไม่มีแรงก็ไม่ต้องตกใจเพราะนาไปเรื่อยๆกำลังมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็ เ, เวลาที่ฟังซีดีหรือฟังหลวงพ่อพูดก็จะปฏิบัติตามได้แต่พออยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันชอบจะลืมอะค่ะเลยไม่รู้จะเอาอะไรเป็นวิหารธรรมสาหรับตัวเองดีเอาร่างกายสิยนึกถึงร่างกายบ่อยๆดูจิตไม่พอ แดงไม่พอที่จะดูไม่จะหนีไปนานเราร่างกายมาช่วยอว่าไปยังรู้สึกเช้ามารู้สึกมัวๆกับสลับกับเพ่งนะครับหลวงพออ่อเห็นไหมมัวก็ไม่เที่ยงเพ่งก็ไม่เที่ยงทําไมถึงเพ่งเพรอยากดีทําไมมัวก็โมหะครอ บ, รบมันต้องมีเหตุมีผลของมันกําลังของสติสมาธิเราไม่พอมัวอมัว กต้องฝึกต้องซ้อมพุโทโธไปใจหนีเรารู้พุโทโธไปเรื่อยหรรู้ลมหายใจอะไรก็ได้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งชอบพระเครื่องก็หยิบพระเครื่องมานั่งสัมผัสพลังพระจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขเนี่ยสัมผัสแล้วอุ้ยโลภอยากได้สมเด็จวะละคังอะไรเงี้ยรู้ว่าโลภทำอย่างนี้ก็ได้นะครับหัดไปเรื่อย ผมก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับนึกถึงพระสังฆคุณก็ออจะรู้สึกปิติขึ้นมาเอ อ, <นะ S 2> อย่างนั้นใช้ได้นะครับก็ต้องรู้จักเลือกนะยังนึกถึงสมเด็จพระยานสังวรเงี้ยดีต้องเลือกเป็นองคอง์เหมือนกันขยันหน่อยนะทุ่มเทกับการปฏิบัติหน่อยอายุเยอะขึ้นแล้วคนที่มาเรียนทีหลังเขาแซงไปเยอะแล้วก <c oughs> ็ <c oughs> หลายเดือมนมานี้ก็ รุ่ม ร, มรุมดนตอนค่ะอย่าไปท้อใจนะรุ่มรุ่ ม, ม, ม, มดอนดอนก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันใจไปใจมันท้อก็ไม่เป็นไรท้อก็ดูเอาท้อก็ไม่เลิกมันมีความเหวี่ยงสูงกว่าเมื่อก่อนเยอะค่ะเมื่อก่อนนี้ค่อนข้างทําสม่ําเสม อ, สมอเดี๋ยวนี้มันเวลาแย่ี่มันแต่มันก็ยังทํารูปแบบนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับแบบเหมือนตั้งแต่45ไปถึงห้หชั่วโมงนี้มันเหวี่ยงไกลมากค่ะคือหนู ไม่คยมั่นใจเลยว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันสอนธรรมะเรานะเห็นไหมไม่มีอะไรที่บังคับได้เลยดูดูเจริญปัญญาไปเลยไม่ต้องตกใจมันเสียวๆเหมือนกันนะเสียวเสียวลุดอะไรอย่างเงี้ยเวลามันแย่มแย่มากเลยค่ะหลวงพ่อโอ้คือเวลามันแย่นี่หนูก็เพียงแต่พยายามเลี้ยงตัวไม่ให้จบไปมากกว่านี้เท่านั้นเองมันมันแกล้งนะมันแกล้งเราเราพอรนาดีขึ้นมามันไม่ปล่อยง่ายๆหรอก อ, อดทนอาศัยศรัท ธ, ธาไว้คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้ยังอย่างนี้ยังไปได้เหรอคะผมได้คิดถึงพระพุทธเจ้าไว้หนูเสียวมากเลยนะตั้งใจไว้เลยทุกวันตื่นขึ้นมานะขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อกับพระพุทธเจ้านะยังไงก็ไม่คลอนแคลนในคําสอนของพระพุทธเจ้านะมารเนี่ยจะต้องถ่วงเราตลอดเวลาเขาไม่อยากให้เราพ้นไปจากอํานาจของเขานะขอบพระคุณค่ะช่วงนี้เหมือน จิตเศร้าจิตโทสะเยอะค่ะเออน ะ, จะเจริญเมตตาไว้ <_ S 2> เวลากว่าจะพ้นไปได้คนหนึ่งคนหนึ่งนะต้องสู้กับมารทั้งมารภายในกับมารภายนอกมารภายในก็คือกิเลสของเราเองกับความฟุ้งซ่านของเราความปรุงแต่งมารกลางกลงก็คือร่างกายนี้ที่เจ็บป่วยไปหรือความตายที่มาตัดร้อน มารข้างนอกก็คือพวกจิตที่ขี้อิจฉามีทั้งที่เป็นมนุษย์ทั้งที่เป็นเทพนะพวก น, นี้พวกมารพวกนี้บางทีก็แกล้งเราแต่มารข้างนอกยังไม่น่ากลัวเท่ามารข้างในคือถ้ากิเลสข้างในไม่มีนะหรือเบาบางนะมารข้างนอกจะแกล้งได้เฉพาะร่างกายจะเข้ามาไม่ถึงจิตเรา ต้องต้องกดทนเอาอยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยบริกรรมไปเรืยเจริญเมตตาไปเรื่อ ย, อยจะได้กําลังการภาวนาขันยักได้แล้วเนี่ยถ้าจริงๆถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรมาขวางเนี่ยการภาวนาจะราบรื่นนหะแต่ว่ามานไม่ปล่อยเราง่ายก็ แ, แกล้งเหมือนกันเจริญเมตตาไปกราบนะมันสการหลวงพ่อคะ่ะ ห, หลวงพ่อครับหนูติดอะไรไหมคะเหมือน มันกระจัดกระจายแต่ว่าแล้วมันก็มีปิติบ่อยมันุ่งก็หายใจนะหายใจวความรู้สึกตัวกลับเข้ามามไม่ให้กระจัดกระจายหนีไปไนะกลับมาอยู่กับความรู้เนื้อรู้ตัวมีปิติก็รู้ไปพอใจในปิติก็รู้ไม่พอใจก็รู้รู้เข้ามาให้ถึงยินดียินร้ายนี่เราะั้นถ้ามีปิติแล้วก็พอใจเพลินอยู่กับปิติใช้ไม่ได้จะติด แมรสการเจ้าค่ะหลวงพ่อคือว่าที่ผ่านมาค่ะหนูมีสภาวะที่เหมือนกับว่าตามันไปกระทบรูปแล้วมันก็เห็นเข้ามาถึงข้างในตรงกลางอกแล้วมันก็เห็นเหมือนเป็นลากสีดําขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงทีนี้หนูก็เห็นว่าใจมันไม่ชอบตัวนี้มันแนบอยู่ข้างในแล้วหนูก็อยากจะขุดมันออกไปอ่ะ ถึงเวลามันก็ตายเองนะ่ารักเนี่ยมันเป็นอนุสัยของเราสะสมมาซ่อนอยู่ข้างในเราจเจริญสติสมาธิปัญญาทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยอ่อนกำลังลงอันนี้มันเป็นตัวโทสะหรืออุปท า, านามันไม่ใช่อุปท า, านเป็นะกิเลสล้วกิเลสที่ละเอียดละเอียดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะหลวงพ่อคือว่า แต่ก่อนหน้านี้ค่ะหนูมีความรู้สึกว่าหนูเห็นเกิดดับได้ดีกว่านี้คือหมายว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับเลยแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหนูเห็นมันสมาธิไม่พอใจมันฟุง้งค่ะนะงั้นตอนนี้เพิ่มสมาธิขึ้นโอเคใจฟุ้งสั้นไปค่ะหนะลวงพ่อค ะ, อะ กรรดใดที่เป็นกุศลที่หนูได้ทำมาตลอดสังสารวัตนี้หนูขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาจารย์ยบูชาหนูจะไม่ให้ความเนยยกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต้องสูญเปล่าค่ะแล้วหนูก็ขอให้กุศลผลบุญทั้งหลายขอให้หลวงพ่อดำลงขันอยู่นานๆสาธุประโยชนหลังนี้แปลกๆ ข<ค>ันน้าเป็นตัวทุกข์นะถ้าแปลเป็นภาษาธรรมะขอให้หลวงพ่อทุกข์นานๆหลวงพ่อจะได้ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่สัตรรมให้พวกเราได้เป็นที่พึ่งเจ้าค่ะเออเราก็เรียนเร็วๆหน่อยก็แล้วกัน <vik ling> จะได้ช่วยกันเผยแผ่ให้หลวงพ่อเผยแผ่อยู่คนเดียวพวเหนื่อยมาก่อนเนะะาะนำ้ำมัซซการค่ะหลวงพ่อือคือช่วงนี้ หนูปฏิบัติในรูปแบบแล้วถ้ า, าไม่หลับก็จะตัวจะเขย่าสะบัดนะคะหลวงพ่อตัวอะไรนะตัวจะเขยา่าเขย่าทั้งตัวเลยอะคะ่ะ<ม>ก็คือถ้ามันเขย่าแรงหนูก็จะหายใจลึกๆอย่าไปตกใจมันนะไม่ต้องตกใจนะดำใจสบายคิดถึงพูดทุทธเจ้าไว้ดำใจสบายๆใจมันจะสว่างขึ้นมา เน้อใจเราตกอกตกใจกังวลไปเนไม่หายปล่อยให้เขย่าต่อไปถ<ร>้ามันอยากเขย่าก็เขย่าไปเรารู้ทันใจของเราไปแต่มันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอะค่ะหลวงพ่ อ, ย อ, ย อ, พอถ้างั้นเราทําความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นความรู้สึกตัวให้ชัดขึ้นรู้สึกเงี้ยเนี่หายค่ะของหนัวความรู้สึกมันครอบใจนะมันครอบงําใจเราถ้าพิ่สติเราเพิ่มขึ้นมัน้วหาย อที่ข ย, าขยานานมสการค่ะหลวงพ่อก็ทุกวันเนี้ยก็ยังทําในรูปแบบอยู่ค่ะแต่ว่าเออคือช่วงเนี้ยมันมีความทุกข์แบบในทางโลกค่ะเข้ามาก็เลยเ อ, อสภาวะมันจะแ ก, แกว่งไปแกว่งมาระหว่างสติแตกไปเลยกับกับแบบเข้ามารู้ได้ได้เป็นบางคราวแต่ว่ามันก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่แบบตั้งมั่นเหมือน เ, ออเข้ามาข้างในจริงๆอะค่ะไม่เป็นไรที่ฝึกอยู่ตอนนี้ก็ยังใช้ได้นะเห็นไหมว่าขันมันแยกได้แยกขันนั้นก็เห็นมันทำงานไปบางครั้งสมาธิมันเสื่อมลงเรามีเรื่องเครียดมากมันก็ไปรวมกันอีกรวมกันก็เรื่องปกติเวลาที่เรามีความทุกข์อ่ะมันจะเป็นเวลาที่การภาวนาเนี่ยจะคึกคักแบบรีกับเปล่านะดีกว่ามีความสุขอีกมีความสุขแล้วจะขี้เกียจ เพราะนถ้าเรามีความทุกข์เราก็มองในทางดีนะเป็นโอกาสได้พนานาแล้วละ่ะถ้าเราผ่านได้เราจะเติบโตทุกคราวนะที่มีปัญหาชีวิตที่รุนแรงพอเราผ่านเรื่องนั้นไปนะเราเติบโตขึ้นทุกคราวทั้งการปฏิบัติทั้งเรื่องทางโลกนะนี่ที่หนูฝึกอยู่ใช้ได้แล้วละ่ะไม่ถึงสติแตกหรอกอย่าให้ผิด ศ, ศีลเท่านั้นแหละ กรได้มั ส, สการหลวงพ่อเจ้าค่ะเมื่อตอนจะเข้ารรษาได้มากราบหลวงพ่ อ, ห, อ, อหลวงพ่อให้ไปดูโทสะพุ้งในธรรมสองข้อนะคะก็ก็ก็ออกภาษาก็มารวมกันบ้านรายงานเนืเ่องจากว่าได้ได้พบว่าโทสะเนี้ยมันอ่อนแรงลงโทสะแรงไม่มีมีแต่ความรู้สึกที่ไม่พอใจอเล็กๆนน้อยตัวสติจะมาอารักขา จะมามาอะระขาเลยแล้วก็เห็นเลยไปเลยว่าเป็นแค่สภาวะธรรม เ, เกิดดับเท่านั้นใช่ อ, อีกก็คือว่าพ่อบอกว่าฟุ้งในธรรมก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่รับคำคาสอนลงไปในภรรษา ก, ก็ปฏิบัติปกติก็มาพบความจริงเรื่องความเป็นกลางจากการฟุ้งในธรรมได้สัมผัสเอง การฟุ้งในธรรมนี่ยก็นึกพอหลวงพ่อบอกก็นึกว่าเออเราเราฟุ้งในธรรมนี่จะทํำยังไงก็คิดแค่นั้นอันนี้เป็นคิดไม่ได้เป็นรู้ <c oughs> แต่ว่าทําอะไรไม่ได้หรอกเราก็จิตก็บอกว่า <c oughs> ต้องรู้อย่างเดียว <c oughs> ก็รู้ไปเวลาฟุ้งมาก็รู้ไปรู้ไปฟุ้งในธรรมก็รู้ไปเรื่อยๆรู้ได้หลายครั้งสติรู้โดยสติได้ประมาณห้าหกครั้งหกครั้งได้ประมาณห้าหกครั้ง เกิดปัญญาไปเห็นว่าอ้าวความเป็นกลางอยู่ตรงนี้นี่ไงเราต้องรู้รู้มากๆจิตก็ไปเห็นถึงไตรักษณ์เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็เกิดปัญญาจากการรู้ของสติแล้วมารู้ปัญญาว่าอ๋อนี่ไงความเป็นกลางอยู่ตรงนี้เราไม่รู้จกักเราเรียนมาจากหลวงพ่อก็จริงแต่เรารู้จํามา ตอนนี้สัมผัสเองก็มาเห็นความเป็นกลางที่เกิดขึ้นเนื่องจากเราต้องเห็นตัวสภาวะเกิดดับมากๆหลายๆครั้งเราถึงจะมาเห็นเป็นปัญญารู้แจ้งขึ้นมาเองว่าออกความเป็นการอยู่ตรงนี้จะจ ะ, จะใช่หรือไม่ใช่ก็ให้หลวงพ่อฟดไม่ตาใช่สินะตอนนี้เราดีกว่าเก่าแล้ว <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แล้วก็ อ, กอยา่าหัวร้อนะ <c oughs> อีกอันหนึ่งฮะก็คือว่า มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะหลวงพ่อ ก, ก, ก็ที่บ้านเนี่ยเวลาเราผัสสะ ก, กระทบเนี่ยเราก็จะเห็นที่ก่อนนี้คิดว่าเออเราอยากเท่านั้นจะทุกข์คราวนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมีทั้งอยากทั้งไม่อยากทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นแล้วทุกข์ทั้งนั้นเลยแล้วก็แจ่มแจ้งใจเลย hmm. เพราะว่าเนี่ยคือครอบครัวลูกเขาทําอะไรแล้วขัดไม่พอใจเขาแล้วยายกขาเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนี้ขนาดนั้นความรู้สึก ไม่พอใจนี่แล้วเกิดขึ้นอ๋อนี่หนึ่งความทุกข์เขาชี้ให้เห็นเลยในความในใจเนี่ยคะคือจิตเขารู้ของเขาว่าอ๋อนี่ไงนี่แหละก็เลยได้ตัวใหม่ขึ้นมาก็คือว่าทั้งอยากและไม่อยากเป็นความทุกข์อย่างยิ่งได้มาอีกตัวหนึ่งดีตัวเนี้ยดีเจ้าค่ะไป้ทำอีกไงมฮะภาวนาดีขึ้นเลยแล้วก็ขอการบ้านหลวงพ่อทำต่อไหมทำต่อช่วยตัวเองได้แล้วค่อยๆดูไป ก็จิตใจก็สรุปในภาพที่ที่ตั้งแต่เข้าพรรษามาจนกระทั่งออกพรรษานี่ก็เห็นไหมว่าโลกนี้ว่างเปล่ามากขึ้นมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็ตรงตร ง, ตรงที่สำคัญก็คือความเป็นกลางเนี่ยสอนขึ้นมาด้วยปัญญาหลังจากสอนด้วยสติเสร็จแล้วสอนด้วยปัญญาก็เลยแจมแจ้งว่าโอ๊ยไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็ เราถึงได้มีแต่สิ่งที่ผ่านมาชั่วคราวแล้วก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนจิตก็เลยเป็นกลางตรงนี้ทำให้เราสบายสงบขึ้นจิตใจก็เลยแข็งแกร่งตั้งมั่นขึ้นมาเจ้าค่ะตีแล้วล่ะไปฝึกอีกฝึกฝึกอย่างเดิมะนะตอนนี้ยังเกิดอีกอ่ะยังไม่พอกัอบเราก็คือหลวงพ่อเจ้าค่ะดีถูกใจ หนูขอส่งกันบ้านนะคะคือหนูฟังซีดีของพ่อที่ให้ไปรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปคิดอืหนูก็ไปทํามาแล้วมีข่าวหนึ่งขณะที่กําลังมีความทุกข์ทางใจอยู่มากก็ร้องไห้อืมันก็เห็นว่ากลายเป็นอันหนึ่งแล้วก็ความทุกข์ทางใจเป็นอีกอันหนึ่งใจที่มันกําลังปรุงแต่งเรื่องที่ทําให้เราทุกข์มันก็เป็นอีกอันหนึ่งแล้วพอหลังจากนั้นมันก็บอกว่า อ้าวไหนเราไม่เห็นมีเลยสักอันนึงแล้วมันก็เย็นมาตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วจากนั้นร่างกายกับจิตใจที่มันกําลังเป็นทุกข์อยู่ม า, มากๆมันก็กลับสู่สภาพปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะอะแต่ว่าพอตาเราเห็นรูปปุ๊บมันก็กลับมาปรุงใหม่ให้เราเห็นใ<ช>ีก<ม>น ะ, ค, ะความเป็นเรายังไม่ขาดนะยังอยู่ค่ ะ, คะดีแล้วล่ะทําถูกแล้วขันไม่แยกได้ขันแสดงใจรักได้ถ้าทํามากพอนะก็จะได้มักได้ผลไป อันนี้แต่มันก็ยังคอยกังวลอยู่ว่าเรายังทําถูกมาเรื่อยๆอยู่หรือเปล่าจะเป็นเรื่องที่กังวลอยู่ตลอดะะอย่าไปกังวลนะมันถูกบ้างผิดบ้างตลอดเวลาตลอดสายเลยมันไม่ถูกเป๊ะเป๊ะทุกคราวหรอกค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปไม่ต้องดิ้นรนมากหรอกงั้นหนูข อ, อ, อถวายการปฏิบัตินี้แล้วจนตลอดชีวิตนี้หนูจะขอจะปฏิบตับติบูชาคุณพลตนะไตาและคุณพ่อคุณแม่ค่ะเออสาธุ ดีเนี่ยเพิ่งจะคิดถึงพ่อแม่รายแรกเนี่ยน่าจะมาให้หลวงพ่อหมดเลยนำ้ำมาสการเจ้าค่ะหลวงพ่ อ, อมเมื่อปีที่แล้วมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ายัางติดของเก่าอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ไปดูแล้วก็รู้สึกตัวเพิ่มมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็เห็นทุกว่าจิตที่ จิตที่หนีออกไปข้างนอกเนี่ยอมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ทั้งวันทั้งคืนเลยเจ้าค่ะคแล้วตอนนี้ที่หนูปฏิบัติมาเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนละอันเห็นเจ้าค่ะโออเห็นได้แล้วเห็นไหมสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่ใจเห็นเจ้าค่ะขันมันแยกแล้วต่อไปเราก็เดินปัญญาได้แล้วเห็นไหมขันไม่มีเจ้าของเจ้าค่ะดูไปเรื่อยนะจนใจมันยอมตอนนี้ใจยังไม่ยอมใจยังรู้สึกว่ามันต้องมีเราเน่ะเจ้าค่ะ แต่ว่าความจริงที่เห็นก็คือไม่เห็นเราตรงไหนเลยมันอย่างค้านกันอยู่เราดูจนใจมันยอมรับความจริงเราไม่มีนก็จะเข้าใจธรรมะขึ้นมาอบคุณมาตร ก, การเจ้าค่ะหลวงพอ่อปฏิบัติตามรูปแบบทุกวันฟังหลวงพอ่งพอทุกวันเจ้าค่ะ แต่คราวนี้เหมือนว่าช่วงนี้มันพอปฏิบัติไปแล้วพอเดินจงยืนหัวจงกรมแล้วรู้สึกปวดหัวหนักบ่าอะไรเพิ่งจะเป็นนะเจ้าค่ะอแต่ก็ไม่ได้สนใจก็เลยว่าปวดก็ทําอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะปวดก็ต้องทํานะแต่มันเพิ่งเป็นนะเจ้าค่ะเพระผานเพิ่งเดือนมันมีเวรมีกรรมนะมันก็เป็นคราวนี้ที่ปฏิบัติมา หนูควรจะไปเพิ่มบารมีตัวไหนบ้างจ๊ะคะที่ว่าเติมพูดน้อยๆ <c oughs> ตัวที่สำคัญนะ <c oughs> ถ้าเราพูดไปเรื่อยๆนะั้นพลังจิตเราจะตกนะ <c oughs> งั้นเราพูดเท่าที่จำเป็นนะเราทำดูแล้วพลังมันจะดีขึ้น <c oughs> อ้างเชยนกลับบ้าน